เอาว่าไปน้มัสการครับเอคราวที่แล้วมาครับแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าประคองอยู่ครับก็เลยไปดูประคองครับก็สมมติถ้าเกิดเป็นตอนที่ออกกําลังกายนะครับกายเคลื่อนไหวครับก็แวบหนึ่งที่รู้ว่ามือเคลื่อนไหวครับเอคาดว่าแวบนั้นน่าจะถูกครับและตอนจากนั้นผมก็จะดูตลอดเวลาครับก็เลยเพิ่งรู้ว่าเป็นการเพ่งเพ่งตามมาครับ ก็ก็เลยก็รู้ว่าเพ่งอีกครั้งหนึ่งครับแล้วตอนนี้ก็เผลอไปอีกนานครับอืหน้าที่เราคอยรู้รู้ไปเรื่อยๆนะใจของคนเนี่มันจะมีสตินิดเดียวแต่เดียวก็เผลอเพราะฉนั้นจิตส่วนใหญ่จะเป็นอกุศลถ้าเราไม่เคยฝึกเลยนะจิตจะเป็นอกุศลเกือบทั้งหมดเลยอย่างเราเคลื่อนไหวปับ๊บเราเกิดระลึกได้ว่าใจเราเผลอไปขนาดนั้นรู้ตัวเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วเราเจะประคองจงใจจงใจไปกลัวมันจะหลงไปอีกเพราะกลัวจะหลงนะเลยไปนั่งเฝ้าไว้อย่าไปเฝ้าเฝ้าแล้วแข็งแข็งผิด ธ, ธรรมดานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผม อ, อ, อ่านหนังสือของพระาจานะครับแล้วก็ฟังซีดีมาเกือบครบแล้วครับก็ตอนนี้ก็เลยมาฝึกดูสภาวะครับดิจะถามว่าจะทํำยังไงครับกิเลสเกิดบ่อยไม่วันหนึ่งวันนึง ก็ถ้าตอนนั่งรถมานี่บ่อยครับแต่ถ้าตอนวันปกตินี่นานๆทีหนึง่งเหรอนี่ต้องนั่งรถบ่อยๆแล้ว <c oughs> ทำอะไรแล้ ว, วสติเกิดบ่อยก็ต้องทำอย่างนั้นแหละมันอย่าไปนึกว่ายากนะการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันคือการเรียนรู้ตัวเองศา ส, สนาพุทธเนี่ยสอนให้เราเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเรา สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองะเราค่อยมาดูซิความทุกข์ในกายความทุกข์ในใจมันมาได้ยังไงเราค่อยสังเกตไปเรื่อยๆความทุกข์ทางร่างกายนะี่มันห้ามไม่ได้หรอกอย่างเรานั่งนานๆมันก็เมื่อยนะอดข้าวนานๆมันก็หิวนะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายนะเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวเป็นอย่างน้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นีนนน่ร่างกาย ธรรมดาร่างกายเป็นอย่างนี้ร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่เราเรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้เราจะคลายความยึดถือในร่างกายออกไปต่เดิมรักที่สุดเลยหวงแหนที่สุดเลยนึกว่าเป็นของดีของวิเศษแต่พอเรามาตามรู้กายมากๆเราเห็นแต่กายนี้มันเป็นก้อนทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นทั้งวันทั้งคืนนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์เดินไปเดี๋ยวหนึ่งก็เมื่อยนะทุกข์ นอนอยู่อย่างทุกข์เลยต้องนอนพลิกไปพลิกมามีแต่ความทุกข์บีบคั้นเพราะเราเห็นอย่างเนี้ยเราจะคลายความหวงแหนต่อไปร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายนะจิตใจไม่ทุรนทุรายแล้วรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดานี่มาดูที่ใจเราบ้างแต่ละคนอยากได้ความสุขสแสวงหาความสุขกันตลอดชีวิตเลยแต่ถ้าเรามามีสติรู้อยู่ที่ใจเราจะเห็นกระทั่งความสุขก็ของชั่วคราว แต่ละคนหนีความทุกข์เกลียดความทุกข์ถ้าเรามาคอยดูอยู่ที่ใจเราก็เห็นว่าความทุกข์ก็ของชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆนานาเ น, นี่ยซึ่งเป็นศัตรูของความสงบสุขในชีวิตเราก็เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเนี๋ยดูลงไปอย่างนี้นะเนี๋ยสุดจะเห็นเลยทุกอย่างมันชั่วคราวจิตใจเราก็าเปลี่ยนแปลงไปทั้งวันทั้งคืนจิตใจเราทํางานหนักนะไม่คงที่เลยบังคับไม่ได้ด้วย ดูไปมันจะคลายความยึดถือในจิตใจอย่างเราเห็นว่าสุขกับทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรเนี่ยมันก okay? I mean, ็คลายความยึดถือในความสุขความทุกข์ความสุขมาก็ไม่หลงระเริงความทุกข์มาก็ไม่รุ่มใจเนี่ยมันคลายออกไปถ้ามาดูจิตใจเราจิตใจเราแข่งทั้งวันในทํางานทั้งวันทั้งคืนนะบังคับก็ไม่ได้อะไรเงี้ยดูไปนานๆมันก็คลายความยึดถือในจิตใจของตัวเองถ้าเมื่อไหร่เราคลายความยึดถือในกายในใจเนี่ย ภาระของเราจะลดลงตลอดชีวิตเราเนี่ยเราอยากจะหาแต่ความสุขมาให้กายให้ใจนี้เราอยากพากายพาใจนี้หนีความทุกข์นันเป็นภาระทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าเราดูกายดูใจไปเรื่อยๆเราเห็นเนะ่ยกายกับใจนี้มันทุกข์นะทุกข์ด้วยตัวของมันเองเราบังคับไม่ได้ด้วยควบคุมไม่ได้ถูกความทุกข์บีบคั้นทั้งวันทั้งคืนเลยนี่พอเห็นอย่างนี้ยใจจะค่อยคลายความรักความหวงแหนออกไปนะ เมื่อไร่ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะชีวิตจะมีความสุขที่สุดเลยสุขแบบไม่มีอะไรเหมือนเลยนะความสุขในโลกโลกนี้ที่ว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินนะเทียบกับความสุขจากการที่เราวางกายวางใจได้นี่เทียบกันไม่ติดเลยมันเป็นความสุขที่หมดภาระเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรอย่างความสุขของเราทุกวันนี้ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นพึ่งพาคนอื่นรู้สึกไหมถ้าเราได้อยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุข ถ้าไม่ได้อยู่กับคนนี้ไม่มีความสุขถ้าเห็นคนนี้มาจะมีความทุกขนะ์ถ้าไม่เห็นแล้วถึงจะมีความสุขเนี่ยกลับข้างกันนะหรือถ้าได้อันนี้มาเนี่ยอยากได้เสื้อตัวใหม่ได้มาแล้วจะมีความสุขสุขเดียวเดียวนะอยากอย่างอื่นอีกละ้ะชีวิตเนี่ยไม่ไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่มเลยแต่ถ้าเมื่อไรเราใจเราเข้าถึงทำแท้ๆนะใจเราวางลงไปแล้วมันมีความสุขอยู่ในตัวเองเทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความสุข บอกไม่ถูกนะว่ามันสุขยังไงเพราะพวกเราไม่เคยเห็นงั้นภาวนาเนี่ยให้รู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจเรียนรู้ทุกจนเห็นกายเห็นใจนี่มันตัวทุกข์จริงๆเลยเห็นอย่างนี้แล้วก็คลายความยึดถือกายยึดถือใจได้แล้วจะมีความสุขนะครูบาอาจารย์ท่านก็พาธรมมานะ หลายองค์ไปเจอท่านนะท่านเนก็บ่นให้ฟังไม่ได้บ่นนะนะเรียกลําพึงมากกว่าสุขแท้นอ้อสุขแท้นอนะ <c oughs> ้อนะการเจอหลวงปู่สุวัสด์หลวปู่สุวัสดิ์เนี่ยเท่าจะเรียกว่าครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายของหลวงพ่อเลยนะเจอที่ไรท่านก็บอกสุขแท้นอ้อสุขแท้นอ้อนะเราดูท่านโอ้ท่านทําไมมีความสุข ไปเห็นท่านปุ๊บนะโอ้ยทำไมท่านสุขอย่างเลยทำไมท่านสะอาดหมดจดอย่างนั้นมาดูตัวเองนะสุกับปลวกมอมแแมมหาความสุขไม่ได้เลยนะขนาดภาวนาเก่งแล้วนะสมัยโน้นอะ่ะโอ้ยเทียบกับครูบาอาจารย์เทียบไม่ติดเลยนะรู้สึกหยาบหยาบเลยนะขี้ตีนท่านอย่างสะอาดกว่าเราเลยนะแล้วก็มีแต่ความสุขไป ห, หาโลกพปู่เทศนะหลวู่เทศโอ้ยทําไมท่านมีความสุขอย่างนั้นมีความสุขมาก ดูแต่ละองค์แต่ละองค์หลวงปู่สิมนเนี้ยนะไปอยู่ใกล้ๆก็มีความสุขเมื่อก่อนไปหาหลวงปู่สิมนดะ้ยิ้มๆน้นแหมท่านว่นจังเลยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อทันท่านนะ่ะสงสัยอันนี้สงให้ผลนะจริงๆแล้วความทุกข์นะเกิดจากเราหาเ อ, าเองจิตใจเรามีความอยากมีความหิวโหยไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอหาอะไรหาสิ่งมาตอบสนอง ความสุขทางกายทางใจนี่แหละพยายามจะตอบสนองมันไปเรื่อยๆทำไงจะสุขกายทําไงจะสุขใจนะมันสุกเดี๋ยวเดียวสุกกายก็เดี๋ยวเดียวสุกใจก็เดี๋ยวเดียวนะความทุกข์มันตามอยู่ตลอดเวลาเนะลยเราก็วิ่งหาไปหา น, นี้แล้วจะได้สุขอีกหาอย่างนี้แล้วก็สุขอีกความสุขมันรออยู่ข้างหน้าตลอดเวลาหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆเลยฟังซีดีของเคยได้ยินนะอย่างตอนเด็กๆหลวงพ่อนะคนอื่นจะไม่รู้สึก หลวงพ่อรู้สึกว่ า, วาถ้าหลวงพ่อเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขเมื่อเป็นนักเรียนนั้นถูกบังคับเยอะมันไม่เป็นอิสระพอเรียนจบนะก็คิดว่าได้งานดีๆจะสุขได้เงินเดือนเยอะๆจะสุขได้ตําแหน่งใหญ่ๆจะสุขไม่เห็นเมันสุขเลยมีแต่ยุ่งมากขึ้นมากขึ้นนะะหาเมียสักคนหนึ่งถ้าจะมีความสุขใช่ไหมแต่หลวงพ่อยังไม่หลงไปถึงขั้นว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขนะอ่ ยังดียังบุญตอนนี้ลูกเป็นโขงเลยเขาเนี้ยยิ่งหนักกะะเก่าเอกนะคนอื่นเขามีลูกห้าคนสิบคนก็เยอะนะหลวงพ่อมีลูกเยอะเหลือเกินมีเป็นพันแล้วแต่ลูกอย่างนี้ไม่มีภาระทางใจนะมันเลี้ยงตัวเองได้ว่าไงอยากถามอะไรทำไมต้องถามล่ะก็วันนี้ก็ ตามเจ้านายมาถวายอาหารเจ้าค่ะก็เลยมีโอกาสได้ถามพระอาจารย์ค่ะคือตอนนี้หนูก็ฟังซีดีของพระอาจารย์นะคะรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกอึดอัดกำหนดอะไรนี่อึดอัดเบือ่อไม่ อ, อยากมัง่าสั้นๆเลยตอนนี้ภาวนาดีแล้วนะค่อยรู้คอยดูของเราไปที่ทาอยู่นะถูกแล้วนะถูกแล้วค่อยดูเรื่อยๆรู้สึกไม่กิเลสเกิดทั้งวันเลย กิเลสเกิดทั้งวันรู้สึกไหมใจเราโล่งขึ้นลงขึ้ น, น, นใจมันโปร่ปง<ห> ใ, ใจมันสบายรู้สึกไหมมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเห็น ไ, ไหมทําไมจิตใจเรามีความสุขเพราะจิตใจนะั้นโดยตัวมันเองมีความสุขอยู่แล้วนะจิตใจมันผ่องใสมันสบายอยู่แล้วนี่กิเลสนั่นแหละมันแทรกเข้ามาในใจกิเลสมันแทรกตอนเผลอถ้าเรามีสติอยู่นะั้นกิเลสมันเข้ามาไม่ได้หรอกนะกิเลสเข้ามาเรายยอมใจไม่ติดนนะัจิตใจมีความสุข แต่ว่ามันเสื่อมได้นะอย่าขี้เกียจนะขยันดูดีแล้วที่ทําอยู่หลวงพ่อถึงถามว่าจะมาถามทำไมนะเอาไปส่งไ้ข้างหลังพ่อวันนี้เป็นไงพ่อไม่พ่อธรรมดาวันนี้พ่อแปรรู้สึกมันถูรู้ถูกกลางแล้วก็เหมือนจะเข้าไปบังคับไปแทรกแซงไปดึงไปอะไรทุกอย่างวางใจกับมันไม่ค่อยได้ครับเออนะ วางใจไม่ได้ก็ทุกแหล่ะครับเอนี่ยุติธรรมไหมยุติธรรมครับยุติธรรมนะทุกสิ่งที่เราเจอในชีวิตเรายุติธรรมทั้งหมดนะไม่มีไม่ยุติธรรมเลยมันเหมือนแบบว่าเราคาดหวังไม่ได้เลยว่าตอนนี้เราจะเจออะไรเออมันจะขึ้นอะไรขึ้นมาตรงเนี้ยคาดหวังไม่ได้อคาดหวังไม่ได้นะแล้วก็บังคับไม่ได้เห็นไหมทุกอย่างไม่แน่นอนครับผม หลวงพ่อครับตอนถ้าเราภาวนาแล้วตามรู้เข้าได้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยจนเขาไปตามดูลมหายใจเนี่ยผมสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแวบๆบแบบขึ้นมาอมบางทีมันก็แรงบางทีมันก็เบาดีดีนั่นคือความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นมาบางทีกิเลสทันหาก็ฝุดขึ้นมาแต่ว่าพอสติเราเร็วเนี่ยมันยังไม่ทันแปลว่าคืออะไรเราเห็นมีบางสิ่งไหวๆตัวขึ้นมาะฝุดๆแวบๆบแบบขึ้นมาไม่ทันรู้ว่าอะไรก็ได้ เห็นแค่นั้นก็ดับไปเลยค้ า, าปีมันเร็วดีพ่อแต่เวลาทําอานาปนาสติต้องระวังนะบางคนทําอานาปนานสติผิดทําแล้วพอกฟูนอัตตาเวลาทําอานาปนาสติเนี่ยให้นั่งดูร่างกายนีิหายใจไปใจของเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากอย่าให้ใจถลําลงไปเกาะ อ, อยู่ที่ลมนะใจต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจนี่อย่างนี้ดี ถ้าหายใจไปแล้วใจไปอยู่กับลมเนีย่ยหลวงพ่อทาเก่งนะเพราะหลวงพ่อติดอยู่ยี่สิบสองปีถ้าใจถลาลงไปอยู่ที่ลมใช้ไม่ได้ถ้าใจสักว่ารู้สักว่าเห็ น, เ ห, นเห็นร่างกายหายใจไปใช้ได้น ะ, ะถ้าเราหายใจอยู่แล้วเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยมันคือการเจริญอาณาปานาสติในกายานุปัสนาสติปัฏฐาน หายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจใหายใจไปเรื่อยเพราะฉะนสังเกตไหมในกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยพอพูดถึงอานาปนานสตินะยังไม่ข้ามไปสู่เวทนาไม่เหมือนอนานาปนานสติสูตรอนาคานสติสูตรเนี่ยท่านรวมเอาสติปัฏฐานสี่เนี่ยมาแจกแจงลงในการทําอานาปนานสติ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอานาปานาสติในสติปัฏฐานหรือในอนาปานาสติก็ต้องมีจิตเป็นคนรู้การหายใจนั้นต้องแยกรูปกยก น, นามนะส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะแยกรูปแยกนามเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูชอบไปเพ่งใส่ลมหายใจพอไปเพ่งใส่ลมหายใจจิตนิ่งๆได้แต่สมรรนะ แล้วพอกฟูนอัตตาพะจิตนิ่งแล้วรู้สึกกูเก่งกูเก่งทำไมมันพอกฟูนอัตตาเพราะมันเริ่มเบี่ยงเบนตั้งแต่คิดจะปฏิบัติละพอเราปฏิบัติเราจงใจจะไปรู้ลมมันเดียวไม่ให้จิตไปรัว้ว น, นื่นเริ่มบังคับมาแล้วไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นบังคับได้แต่สมถะนะแล้วก็กูเก่งกูเก่งกูเก่งแต่ถ้าอยากจเจริญอนาณาปนสติให้มันเป็นมิปัสสนา เห็นร่างกายนี้หายใจไปใจเป็นคนดูอยู่อย่างนี้นะหายใจไปใจเป็นคนดูแล้วถ้าอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายมีสติรู้นะเห็นเลยไอ้กายที่กำลังหายใจอยู่นี้นะหรือกายที่มีสิ่งแปลกปลอม <c oughs> เช่นมันเกิดกระตุกเกิดขั้นเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเรานะเวลาเราหายใจอยู่ถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเราจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา เร่มละความเห็นผิดเริ่มละอัตตาละความเห็นผิดว่ามีอัตตาหรือเราหายใจอยู่จิตใจของเราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดไหววับแวบวับแวบขึ้นมาเราเห็นเลยมันทํางานของมันเองมันเป็นของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ฝึกอย่างนี้นะถึงจะละกิเลสได้จริงๆแต่ถ้าฝึกแล้วก็เพ่งให้จิตไปเกาะลมนะมันเพิ่มอัตตานะเพิ่มความรู้สึกมีตัวมีตนกูเก่งกูบังคับได้ นั้นก่อนที่จะขึ้นถึงมิปัสสนานี่สิ่งแรกที่ต้องทำคือการแยกรูปกับ น, นามออกกั น, นร่างกายหายใจนี่ตัวรูปนะนามคือคนที่ไปรู้ว่าหายใจนี่พูดแบบอภิธรรมนะบอกแยกรูปนามถ้าพูดแบบครูบาอาจารย์วัดป่าก็คือเราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยเห็นร่างกายนี่หายใจไปเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาไม่มีจิตผู้รู้แล้วไปดูกายมันจะไปเพ่งกายแล้วก็เพิ่มอัตตาขึ้นมา สูงที่สุดคือได้สมถะเพราะงั้นเวลาป่อหายใจครับป่ อ, อย่าให้ใจไหลลงไปอยู่ที่ลมนะบางครั้งทําไมถึงอึดอัดขึ้นมาครับคือการที่ยจงใจจงใจบังคับจงใจดัดแปลงลมหายใจนะเมื่อไรตันหาเกิดความทุกข์ก็เกิดแหละอยากขึ้นมานะตันหาเกิดอยากปฏิบัตินะไปอัดมันสิมีตันหาแล้วก็สร้างภพขึ้นมาคือไปอัดมันไว้ทุกข์ก็เกิด ครับแล้วความอยากบางทีมันก็บังคับไม่ได้เหมือนกันความอยากก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ให้รู้ทันว่าจิตมันอยากบางทีรู้ทันมันก็ไม่หายนะครับเราไม่ได้รู้ให้หายนะถ้ารู้แล้วอยากหายแสดงมีตัณหาซ้อนตัณหาและวงั้นรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอยากรูปแจกนามนะเห็นร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกอะไรนี่ดูไปดูเหมือนดูคนอื่น ใจอยู่ทางหางต่มาพอใจมันม enfin ีความรู้สึกขึ้นมามันสุขมันทุกข์มันเกิดกุศลอกุศลดูไปอีกแยกนามต่อไปอีกความสุขความทุกข์กุศลอกุศลโลภโกรดหลงอะไรนี่ล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราอีกละเห็นไหมร่างกายก็ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงก็ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเนี่ยความโกรธไม่ใช่ตัวเราดูออกหรือยังเห็นไหมความสุขไม่ใช่ตัวเราดูออกหรือยัง แม่ฝึกอย่างหลวงพ่อนะมันถึงจะเห็นขันห้าไม่ใช่ตัวเราส่วนไห้ที่ไปฝึกหายใจลูกเดียวมันจะไปเห็นอะไรมันเพิ่มอัตตานะกูเก่งกูเก่งนะใครสอนไม่เหมือนตัวตัวโมโหซะอีกหนีไปแล้วรู้สึกไหมเออดูอย่างนี้นะพอเข้าใจยังเราปฏิบัติเพื่อละความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนเพราะเราต้องแยกมันไปด้วนยะร่างกายส่วนหนึ่งจิตใจส่วนหนึ่ง เห็นร่างกายหายใจแผยใจเป็นคนดูนี่ไม่ใช่หายใจแล้วไปเพ่งนิ่งอยู่ที่ลมหายใจหรือดูท้องผองยุบนะั้นเอาจิตไปเกาะนิ่งอยู่ที่ท้องมันจะมีสติมีปัญญาอะไรขึ้นมานะาเพ่งเนี่ยมันมีความรู้สึกความสุขบางครั้งก็เลย<ช>อยากเพ่งครับใช่เพราะการเพ่งคือการทําสมถะนะถ้าเพ่งด้วยจิตใจที่สบายนะจิตสงบพอจิตสงบมีความสุขขึ้นมาอีกนะต้องสบาย รู้ไปสบายบางคนไปรู้ความว่างรู้แล้วสบาย mm. ก็เลยติดไงเคยได้ยินคาว่าติดสมถะไหมไม่เห็นมีใครเคยได้ยินคาว่าติดมิปัสนา mm. เคยได้ยินไหม mm. <laughs> มีแต่ติดสมถะงั้นต้องแยกให้ออกนะแยกรูปแยกนามไปการแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะคือจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเลยมันเป็นยานตัวที่หนึ่งในโสรถยานยานสิบหก ฟังเราเยอะนะจริงๆไม่เยอะหรอกสําราไปแจกแจงให้มันมากเกินจริงไปยานมันเป็นกลุ่มๆ ม, มันไม่ได้ว่าทุกคนต้องผ่านทั้งหมดนี้โสรยานนะเริ่มจากนามรูปปริเฉทยานฟังชื่อน่ากลัวนะแต่ว่าการรู้จักจําแนกลักษณะของรูปและนามนต้องแยกลักษณะของรูปสภาวะแยกสภาวะของรูปและนามออกจากกันได้ ไม่ใช่แยกลักษณะแยกสภาวะของรูปและนามเกี่ยวกันได้สภาวะของรูปอย่างรูปนี้หายใจอยู่นี่นั่งอยู่นี่ใช่ไหมรูปนี้เป็นสิ่งที่เป็นก้อนๆเป็นก้อนๆประกอบด้วยก้อนธาตุอะไรเงี้ยดินน้ําไฟลมรูปนี้ถูกทําลายได้ด้วยความร้อนความเย็นถูกแตกแตกดับทําลายได้เป็นของหยาบหยาบ นมามธรรมคือคนที่ไปรู้มันเข้าจิตใจเป็นตัวธาตรู้เป็นธรรมชาติรู้เวลาภาวนานะเราก็ดูไปกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้าจิตเจอไปเกิดคอนเซนเทรตลงไปรู้กายชัดก็ช่างมันไม่ห้ามมันจิตจะมาคอนเซนเทรตรู้จิตชัดขึ้นมาก็ไม่ห้ามมันนะไม่ใช่จงใจจะเอาอันหนึ่งไม่เอาอันหนึ่งจงใจเอาอันหนึ่งไม่เอาอันอื่นๆแล้วก็สมถะนะ ทำไปแล้วก็เซลล์มากขึ้นมากขึ้นนะสมถะสมถะเนี่ยทําไปสุดขีดเนี่ยเซลล์จะจัดถึงขนาดประกาศว่าจิตนี้เป็นอัตตาเมือนพวกคือสีชีไพลรู้สึกไหมเขาสอนกันนะบอกให้เข้าฌานฝึกไปพอ เ, เข้าฌานได้แล้วเวลาตายไปเขาจะสอนเลยอัตตาของเขาเนี่ยจะไปรวมกับบรมอัตตาคืออัตตาตมันไปรวมกับปรมม า, าตะมันไปอยู่กับพระเจ้า เชื่อมั่นเลยว่ามีอัตราแน่นอนเพราะอะไรเพราะบังคับตัวเองได้ดังั้นการทําสมถานี่ถ้าขาดสติปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันนะว่าเราทําไปเพื่อพักผ่อนคิดว่าทําสมถะแล้วเป็นทางแห่งความหลุดพ้นมันจะเพิ่มอัตราขึ้นมาแต่การทางที่พระพุทธเจ้าสอ น, นให้รู้ทุกต่างหากให้รู้ทุกไม่ใช่ให้สงบสงบเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือพอจิตมันสงบเนี่ยแล้วก็ให้มันมารู้ทุก นั้นไม่ใช่ว่าไม่ทําความสงบนะจิตใจต้องสงบต้องตั้งมั่นตรงนี้ทําสมถะแต่พอทําสมถะจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแล้วให้มารู้ทุกทิ้งการรู้กายรู้ใจไม่ได้ไม่ใช่ให้ไปรู้ความว่างด้วยนะเมื่อวานก็มีคนมาบอกหลวงพ่อว่าภาวนาดูความว่างใช้ไม่ได้ดูความว่างใจก็ไปจงใจสร้างพบอันหนึ่งที่ว่างๆแล้วก็ไปอยู่ในพบอันนั้นอันนั้นไม่ได้พ้นทุกข์จริงพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกไม่ได้ให้หนีทุก ไปรู้ความว่างมันหนีทุกรู้ทุกคืออะไรทุกท่านสอนชัดเลยนะทุกคือกายกับใจทุกคือรูปนามทุกคือขันธ์ห้าเนี่ยรู้ทุกคือรู้ขันธ์ห้าต้องรู้ลงมาในกายรู้มาในใจจะรู้กายอันเดียวได้ไหมรู้ไม่ได้ไม่มีใครรู้ได้หรอกกายอันเดียวเพราะขณะที่มีสติอยู่เดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจงั้นอย่างบางคนไปบอกว่าเริ่มต้นต้องดูกายอันเดียว สั่งได้ไหมสั่งได้ไหมในความเป็นจริงสั่งไม่ได้สติจะระรึกรู้อะไรไม่มีใครห้ามได้เลยงันะย้นต้องระมัดระวังนะบางทีคําสอนพวกนี้มันเคลื่อนจากที่ผู้เจ้าสอนแต่ว่าครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านลุยมาแบบนี้ไงแต่เวลาลุยมาเนี่ยจิตท่านมันพลิกขึ้นมาท่านมันเห็นใจมาเป็นคนรู้อยู่เห็นรูปท่านก็นึกว่าท่านดูแต่กายความจริงจิตของท่านตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูท่านรู้ทั้งจิตทั้งกายนั่นแหละ ในเวล า, ามาบรรยายนะท่านบอกว่าท่านดูกายดูกายไม่มีใครรู้กายอันเดียวหรอกถ้ารู้กายอันเดียวก็คือเพ่งกายแต่เวลาบรรยายออกมาเนี่ยท่านจําทางไม่แม่นท่านคิดว่าเริ่มต้นท่านไปดูกายล้วนๆนเริ่มต้นจริงๆริะนะคือการสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมา ก, ก่อนที่ท่านจะทําสมาธิกันนะไม่ใช่เพื่อสงบอย่างเดียวนะเนี่ยตรงนี้คือเวลาผู้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเนี่ยความรู้ความเข้าใจมันไม่เท่ากัน ว่าภาวนาไปนึกงว่าปฏิบัติเพื่อให้สงบก่อนความจริงวัตถุประสงค์แท้ๆเลยนะเพื่อให้เกิดตัวผู้รู้ขึ้นมานะเพื่อให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมานะงั้นวัดป่าแต่ก่อนนะที่หลวงพ่อเข้าไปนะวัดไหนวัดนั้นเลยพูดแต่คำว่าจิตผู้รู้เดี๋ยวนี้พูดัหมมีไหมไม่มีคำว่าจิตผู้รู้มันหายไปนะไม่ค่อยมีแล้วนะมีแต่นิมิตเข้าใจไหมร่นหลังๆมีแต่นิมิต คำว่าจิตผู้รู้ซึ่งของสำคัญมากเลยหายไปนะสมัยก่อนเข้าไปหาครูบาอาจารย์วัดป่าวัดไหนวัดนั้นเลยมีแต่คำว่าจิตผู้รู้ต้องมีจิตผู้รู้นะพอมีจิตผู้รู้แล้วมารู้กายไว้นะเช่นมารู้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเนรู้ไปมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูใช่หไหมตรงกับปริยัตเปเลยตรงกับปริยัตเป้เลยแล้วถามว่าขนาดที่รู้กายเนรู้เฉพาะกาย ไ, ม, ไม่ใช่ ถ้าจิตมันขยับขยืขย่นหนีไปก็รู้ทันมันเห็น ไ, ไหมหรือถ้ามันฟุ้งซ่านมากทําความสงบเข้ามาใหม่ให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาใหม่นะถ้าภาวนาไปนานๆเจริญปัญญามากๆเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยทำสมาธิอีกไม่ใช่เพื่อมีจิตผู้รู้แล้วแต่เพื่อพักผ่อนนี่สมาธินี่มีสองวัตถุประสงค์นะเพื่อพักผ่อนกับเพื่อให้เกิดจิตผู้รู้นะนี้เราเรียนเหลือครึ่งเดียวเห็นไหมเอาสงบเอาสงบเอาสงบ ทำไมอ่ะทำไมไม่ให้มันสงบพอมันสงบมีกําลังแล้วให้มันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาร่างกายนี้หายใจไปใจเป็นคนดูเนี่ยความสุขสุขเวทนาเกิดขึ้นหรือปีติเกิดขึ้นใจเป็นคนดูเยฝึกแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆถ้าไม่แยกรูปแยกนามนะไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกตรงนี้เข้าใจอย่างเงั้นเวลาครูบาอาจารย์บางทีสอนเนี่ยท่านสอนมันไม่คลุมท่านเป็นส่วนส่วน ท่านเดินแบบนี้นะแล้วเดินถูกด้วยนะไม่ใช่เดินผิดนะเดินถูกด้วยแต่เวลาบรรยายจะบรรยายไม่ครบหรอกไปคอนเซนเทรตไอ้จุดที่มันเด่นจุดที่มันมันฉูดฉาดหน่อยสมาธิจะยากอะไอ้ป้าป้าทำใจสบายป้าหายใจออกทีเดียวดูเป็นไหมง่ายจะตายอ้าว อ, อย่าไปบังคับต้องผ่อนคลาย เนี่ยเ น, นเริ่มผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยต้องให้สบายแนละผ่านคลายใจรวมทันทีหลวงพ่อซ้อมนะแต่ก่อนเนี่ยกะว่าในหนึ่งวินาทีสองวินาทีทําได้ไหมตอนนั้นหัดใหม่ๆนั้นเร่มแต่สมาธิทําไมต้องหนึ่งวินาทีสองวินาทีไหมเผื่อลดกว้างถ้าลถกว้างเราจะตายเนี่ยในสักสองวินาทีเนี่ยจะเอาไหวไหมต้องต้องซ้อม ของพวกนี้ต้องซ้อมไม่ซ้อมไม่ได้เสื่อมเป็นของเสื่อมนะสมาธิเป็นของเสื่อมมันก็ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์นั่นเองนะงั้นเวลาเราทําสมถะเนี่ยสองวัตถุประสงค์เมื่อไร่จิตใจฟุ้งซ่านทําเพื่อความสงบทําให้สงบจิตฟุ้งซ่านก็คือมันจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งเปลี่ยนอย่างรวดเร็วพามันอยู่ในอารมณ์มันเดียวมันก็สงบแต่อารมณ์นั้นต้องสบายนะ รู้ด้วยความสบายเหมือนเราเด็กมันจะสนเนี่ยเราเอาโซ่ไปมัดติดกระเสาวไว้เนี่ยเด็กไม่สงบใช่ไหมเด็กดิ้นครงกคลามโครุกครา ม, ม, ม, มที่เราอื่นอัดขึ้นมาก็เพราะเด็กนี้มันดิน้นอยู่ๆเอาโซ่ไปมัดมันต้องเอาขนมมาล่อมันเข้าใจไหมขนมมาลอก็คือเอากรรมฐานที่มันสบายใจที่มันชอบะคนไหนชอบหายใจนะอารมณ์หายใจมาล่อเดี๋ยวจิตสงบคนไหนชอบพุโทโธเอาพุโทโธมาล่อแล้วจิตสงบ เหมือนเด็กอะเด็กวิ่งออกไปสนหน้าบ้านอยากให้มันเข้าบ้านนะักวัวไม่เลี้ยวไปตี ต, ตีเอาโซ่มผูกเด็กดิ้นอยู่กับเสาเอาขนมมาล่อมามากินไอติมมาวิ่งแจ้นมาเลยใช่ไหมมาเองมีความสุข เ, เด็กก็มีความสุขจิตนี้ก็มีความสุขมีความสุขแล้วแหมกินไอติมมีความสุขจิตเราเหมือนเด็กนะ พอสงบแล้วนะก็สังเกตไปร่างกายที่หายใจอยู่นี้ของถูกรู้ถูกดูความสุขที่เกิดขึ้นปีติที่เกิดขึ้นก็ของถูกรู้ถูกดูนะใจแอบหนีไปแวบหนีไปที่อื่นนี่ก็ของถูกรู้ถูกดูอีกอะไรอะไรก็ถูกรู้ถูกดูไปหมดเลยแล้วก็อย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะห้ามเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะถ้าเพ่งใส่ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้จะ้อนสอน เหมือนเคยขึ้นลิฟต์ไหมลิฟต์บางทีมเป็นกระจกสด้านเลยนะมองไปนี้เห็นรูปซ้อนเต็มไปหมดไม่รู้จุดตั้งต้นจุดสิ้นสุดเลยอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้จะซ้อนซ้อนซแล้วหลงไปเลยพอเราจิตใจเรามีผู้รู้ผู้ดูแลสติรู้กายก็รู้กายไปเห็นกายไม่ใช่เราสติรู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราสติรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลเห็นเลยกุศลอกุศลไม่ใช่เรา สติรู้ตัวจิตแท้ๆเลยเห็นจิตเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจเกิดระดับไปเรื่อยๆไม่เห็นมีตัวเราเลยเรียนไปจนกระทั่ทงถอดถอนความรู้สึกความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้พระโสดาบันตรงนี้เองนะงั้นไม่ใช่เรียนแบบมีแต่ศรัทธานะคลําไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆถ้าศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีแล้วไม่ลําบากหลวงพ่อนี่แหละคือตัวอย่างของคนที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ดี เพราะว่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์สอนให้หลวงพ่อเสียเวลาทำสมถาอยู่ยี่สิบสองปีเสียว่ามันไม่ขึ้นเจริญปัญญาเลยนะทําไม่เป็นได้แต่นิมิตนะแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรล่กิเลสไม่ได้ไปเห็นเทวดาเห็นสมบัติของเทวดาเห็นปราศาสตร์ของเขาเหมือนไปเที่ยวบ้านเศรษฐีอยู่กับเขาได้ที่ไหนอะ่ะเนี่ยเขาก็ดีออกมาใช ม, มันของโกหกครั้งนั้นเลย ของจริงคือกายกับใจเนี่ยลงปัจจุบันนี้ของจริงจริงอยู่นี่ดูของจริงนี่ธรรมะเป็นของจริงดูของจริงตรงนี้ น, นี่หลายคนอาจจะรู้สึกทําไมหลวงพ่อสอนแต่ป่อหลวงพ่อไม่ได้สอนป่อคนเดียวเห็นไดูฟังออกก็ฟังเพราะว่าธรรมะนี่เป็นของกลางๆงนะใครฟังมันก็ฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนสอนเรานั่นแหละหนีไปแล้วป่อ บังคับแล้วก็เลิไปแล้วก็รู้สึกไหมมันเขินแล้วเขินแล้วก็เห็นไหมจิตใจทำงานเองอเนี่ยรู้สึกไหมหัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดมากขึ้ น, นเจอสาวยังไม่ตื่นเต้นเท่าเจอหลวงพ่อน ะ, อ ะ, อะ S <S <S เออเห็นหเริ่มเขินเลยเห็นไมเขินรู้ว่าเขินเนี่ยดูสภาวะเนี่ยเพลอและรู้สึกไหมดูอย่างนี้นะป้อเห็นไหมมันทำงานของมันเองทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่ตัวเรานี่ดูไปจนเห็นเลยไม่มีเราหรอกกรรมฐ า, านนะถ้าดูลงมาเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เรานะเห็นมันเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะบังคับไม่ได้นี่ดูไปอย่างนี้ไม่นานหรอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปีนะก็ต้องได้อะไรบ้างแหละ ถ้าเจ็ดปียังไม่ได้ดูสิบหกปีนะสิบหกปีนี่เป็นตัวเลขตัวตั ว, ตวมีนของครูบาอาจารย์หลายองค์เฉลี่ยเฉลียฉล่ยอะใครจะคุยชวนจริงๆเรียนกรรมฐานนะไม่ต้องคุยเยอะก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องถามก็ได้จิตใจเราขณะนี้เป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างไั้นไม่เห็นต้องถาม อย่างใจเราสงสัยเรารู้ว่าสงสัยใจเราอยากพูดรู้ว่าอยากพูดใจเราซึมซึมรู้ว่าซึมซึมรู้จักไม้มใจซึมซึมเนี่ยเมื่อกี้ใจเป็นซึมนึกออกอยังตอนนี้ไม่ซึมเท่าแต่กี้ดูออกไหมคนที่ถือไมโครโฟนอ่ะเนี่ยหนีไปคิดแล้วรู้ไหมงงแล้วรู้ไหมรู้สึกไหมงงงงรู้ว่างงนี่เรียกว่ากรรมฐานนะ รู้ของจริงลงไปรู้ของจริงที่เป็นปัจจุบันรู้ลงไปเลยนะเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมไม่เลิกอะ่ะรู้ไหม <c oughs> จิตขณะนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมตรงนี้โลง่ลงๆกว่าเมื่อกี้ดูออกไหม เ, เริ่มนิ่งๆขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมดูของจริงนะดูความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยนะอ่าให้ถามได้เดี๋ยวรุ่มใจ แต่จริงๆไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกคำถามเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะไม่ได้เรียนสิ่งอื่นหรอกหัดดูสภาวะเท่านั้นเองหัดรู้สภาวะไปพอรู้สภาวะได้สภาวะจะสอนธรรมะเราจะแสดงลักษณะคือไตรลักษณ์ให้ดนะูสภาวะเนี่ยคือตัวของมันเช่นความโกรธผุดขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธสติเป็นตัวรู้ว่าโกรธนะ ตัวลักษณะก็คือความโกรธเนี่ยมันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปเราบังคับมันไม่ได้นี่นะมันเป็นอนัตตามันเป็นของไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเราก็ดูทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เปลี่ยนแปลงความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะความงงๆตะกี้ดับไปแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมเนี่ยดูอย่างเนี้ยดูทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมารู้ไปเรื่อยแล้วมันจะดับให้ดู พอดูไปมากเข้ามากเข้าปัญญามันเกิดมันรู้เลยทุกอย่างชั่วคราวความสุขชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอะกุศลของชั่วคราวหมดเลยนะเนี่ยดูลงไปอย่างนี้นะเนี่ยสุดใจจะไม่ไปยึดถืออะไรเลยมันของชั่วคราวไปยึดมันทำไมมันไม่ยึดเองหรอกเมื่อไรไม่ยึดนะเมื่อนั้นพ้นทุกข์ละเมื่อไรยึดอยู่เมื่อนั้นทุกข์อยู่เอาให้ถามได้เห็นไหมหลวงพ่อชวนให้ถามสองรอบแล้วนะลืมถามไปเลยเนหะ็นไหม กำลังฝึกหัดอยู่อะค่ะก็เลยไม่ค่อยมีคําถามอะไรเออดีแล้วมากล่าวเรียนดูหัดดูไปอย่างที่หลวงพ่อพาดูเมื่อกี้เขาเข้าใจไหมรู้สึกไหมใจเราตอนเนี้ยมันเหมือนตื่นขึ้นมาคจิตใจมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายมันสว่างสวัยขึ้นมามันตื่นนะแต่ตอนเนี้ยฝันไปอีกแล้วรู้สึกไหมแยกออกเพียงจิตที่ตื่นขึ้นมนกับจิตที่ฝันไปมันไปแป๊บเดียวเออถ้าหลวงพ่อไม่บอกมันไม่ไปแป๊บเดียวมันไปเช้ายันเย็นนะ แป๊บเดียวมันก็ไปอะเออใช่อย่างเงี้ยถูกต้อง <c oughs> ถ้าถ้าไปแป๊บเดียวไม่ใช่นะแต่ถ้าแป๊บเดียวไปเนี้ยใช่เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละ <c oughs> คอยดูไปอย่างที่หลงพ่อพาดูนะ <c oughs> ดูเรื่อยๆก็ <c oughs> อ เ, อเคลิ้มไปแล้วกนะทําอานาปัญสติก็ไม่ให้เคลิ้มนะ <c oughs> เวลาจิตรวมมันไม่ใช่รวมเคริ้มเคริ ม, รมจิตรวมนี่มันรวมลงนุ่มนวล น, นะรู้ตัวตลอดสายเลยบางทีกายหายไปความรู้สึกตัวก็ยังอยู่ ไม่ใช่รวมเคลิมเคลิมวกแงกง้อแง ก, งากขาดสติไปนะขาดสติเมื่อไหร่ใช้ไม่ได้ครูบาอาจารย์สอนนะสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจําเป็นเพราะงั้นเวลาที่จิตรวมก็รวมอย่างมีสติะไม่ใช่รวมแล้วก็ลืมตัวเองหลับในอย่างนั้นเรียกหลับไม่เรียกว่าจิตรวมเรียกว่าจิตหลับคนละอันกันนะจิตรวมกับจิตหลับคนละเรื่องเลยถามหลวงพ่อนิดหนึ่งค่ะว่า พอดีเมื่อคืนทําสมาธินะฮะแล้วก็ดูพอจิตเอ่อเป็นสมาธิเริ่มนิ่งเนี่ยก็ดูดูดูกายดูดูจิตไปแต่ทีนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าจิตมันแล่นออมาเร็วมากเาากนี่ยแล้วยังแน่นไม่เลิกจนป่านนี้หรืออ๋อไม่ค่ะตอนนี้ไม่เป็นแล้วแ<า>ตนน่ว่าตอนนี้ไม่แน่นแล้วเหรอไม่ เอแล่นบ้างอะค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้มันมีความรู้สึกว่ามันแล่นแล้วก็เร็วมากอแล้วก็ตามดูไม่ทันมันแน่นเพราะเราจงใจไปบังคับตัวเองไม่ใช่แน่นนะคะมันมันแล่นออกไปมันแล่นออกไปรวดเร็วนี่มันก็แล่นนะมันแล่นรวดเร็วจิตอ่ะค่ะพระเจ้าสอนนะจิตอาศัยอยู่ในกายนี้่เที่ยวไปรวดเร็วเที่ยวไปเร็วเนี่ยเที่ยวไปอีกแล้วเห็นไหม ไม่เฉพาะกลางคืนนะกลางวันก็เที่ยวนะท่านบอกทั้งวันทั้งคืนเที่ยวไปรวดเร็วแต่ว่ามันไม่รู้ตัวใช่ไหมคะใช่มันไม่รู้เราหัดรู้รู้จนกระทั่งเห็นเลยมันเที่ยวได้เองเราไม่ได้จงใจให้มันเที่ยวนะมันไปเที่ยวได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเหมือนเรานั่งดูลูกเราเนี้ยดูไปทุกวันทุกวันรู้เลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วถ้าเกิดเราดูแล้วมันแล่นไปเร็วเราตามดูมันไม่ทันอย่างนี้นี่มันจะเกิดโทษไหมคะไม่ไม่เป็นไรยังดี ให้มันหนีไปก่อนแล้วรู้ว่าหนีอย่าไปจ้องไว้นะอย่าไปจ้องไม่ใช่ว่าห้ามหนีนะให้มันแล่นไปมันแล่นไปแล้วเราคอยรู้แต่ถ้าเราจงใจไปดูไม่ให้แล่นนะใจจะแข็งแข็งหนักๆนอย่างตอนนี้ใจมันหนักเกินไปใจมันแข็งเกินไปมันเกินธรรมดาอเมืเ่รรมอกี้ที่บอกแล่นแ่นหลวงพ่อเลยได้ยินว่าแน่นเพราะหลวงพ่อกำลังดูว่ามันแน่นอยู่หลวงพ่อนะเดี๋ยวนี้ แกแล้วหูวตึงหูตึงบางทีเขาถามอย่างต่อไปอย่างนะบางทีไม่ได้ฟังเขาถามหรอกนี่ความลับนะถามไม่อย่างงั้นตอบไปแต่ว่าถ้าเราดูจากสัมภาว่าแล้วตอบไปก็ดูไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้รู้สึกเกร็งๆนิดนึงอืมดีเบอร์เจ็สิเบอร์สิบสองก็ดีนะแต่พอศบตาหลวงพ่อเลยแข็งไปลนะ เนี่ยสองคนนี้ดีสามคนนี้ดีนะสามคนนี้ใช้ได้แล้วนะเจ็ดสิบสิบสองแล้วก็เนี่ยขอบพระคุณครับไม่มีคำถามดีแล้วดูแล้วนะดูเป็นแล้วดูไปขอบพุณคุณดูเป็นแล้วหน้าที่ของเราเหลือนเดียดูบ่อยๆแล้วสิบสองดีนะรู้สึกตัวไหมว่ามันดีเห็นไหมภาวนาแล้วรู้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อต้องแจกประกาศนียบัต มัรู้เองอะอย่างเบอร์สิบหกล้สึกไหมใจมันสบายขึ้นมาใจมันตื่นขึ้นม า, นะาคุณจีรพันธ์จิตใจก็สบายขึ้นมานะอ่านนี้คู่นี้เมื่อเช้าดีแต่นี้แข็งไปเลยมาเผชิญหน้าหลวงพ่อเขาอาว่าไงช่วงแรกๆที่ตั้งใจอะคะ่ะที่ตั้งใจดูก็พบว่าในวันวันหนึ่งจะมีอารมณ์ที่ขึ้นมาเป็นพระเอกอะคะ่ะแล้วบางทีจะมีอารมณ์ย่อยๆ ที่จะพาไปสู่พระเอกอยู่เราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้เดี๋ยวจะพาไปสู่ความวิตกเดี๋ยวจะพาไปสู่ควา ม, มซึมเศร้าค่ะมันจะครอบครองอยู่ในในวันหนึ่งอะคะ่ะแต่ช่วงที่ดูไม่ทันอย่างเช่นช่วงที่อาทิตย์นี้ที่ผ่านมานะคะ่ะก็จะตามกิเลสไม่ทันเลยะคะ่ะแล้วก็ฟุง้งซ่านมากในเวลาที่นั่งสมาธิก็เป็นการเริ่มต้นการฟุง้งซ่านขนาดใหญ่อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไม่ทราบจะจะทำยังไงก็ต้องปล่อยให้มันฟุ้งไปดีแล้ว นะที่หลวงพ่อว่าดีรู้สึกไหมใจเราไม่ค่อยดิ้นใจเรายอมรับสภาพของธรรมะที่ปรากฏนี่มากขึ้นมากขึ้นเป็นกลางมากขึ้นนะเราภาวนาเนี่ยไม่ได้เอาดีอาสุขเอาสงบหรืออะไรหรอกแต่เราภาวนาจนกระทั่งจิตใจมันเห็นความจริงของกายของใจนะต่อไปพอมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราว เ, เวลาอะไรเกิดขึ้นเนใจจะไม่ดิ้น แต่จะมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นอันนี้เป็นความตั้งมั่นที่เกิดจากการมีปัญญาตั้งมั่นเพราะปัญญานี้เป็นตัวที่สําคัญที่สุดเลยจิตจะเกิดมรรคเกิดผลหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าจิตนี้ตั้งมั be ่นด้วยปัญญาหรือไม่ถ้าตั้งมั่นด้วยสมาธิไม่เกิดมรรคผลนะแต่ตั้งมั่นด้วยปัญญานี่เป็นทางให้เกิดมรรคผลนิพพานเวลาอย่างเราตามดูทุกวันเราเห็นแต่เดิมเราไม่ยอมรับความจริงความสุขเกิดเราอยากให้อยู่นานๆนะ ความทุกข์เกิดเราอยากให้ไปเร็วๆกิเลสมาเราอยากละเสียหรือไม่อยากให้มันเกิดเราอยากให้เกิดสติบ่อยๆเห็น ไ, ไหมเราจะเอาวันนึงจะเกลียดอันหนึงอยู่อย่างนี้เรื่อยๆใจไม่เป็นกลางแต่ถ้าเราตามดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยทุกอย่างมาแล้วไปหมดเลยใจนี่มันได้เรียนรู้ตรงนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะมันซึมซับความจริงเข้าไปทีละน้อยจนทั่งมันเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราว ความสุขเกิดขึ้นใจไม่หวยหาแนะไม่ดิ้นรนไม่รักใคร่มันแล้รู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่เกลียดชังมันรู้ว่าชั่วคราวใจไม่ดิ้นตรงที่ใจไม่ดิ้นเนี่ยใจใกล้ต่อมรลนิพานเพราะนิพานคือความไม่ปรุงแต่งนิพานคือความไม่หิวโหยคือวิราคะมันไม่หิวอ่ะไม่หิวอารมณ์นะไม่ได้มีความอยากนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ดิ้นรนใจของเรารู้สึกมไหมมีความอยากขึ้นมาก็เกิดการดิ้นรนขึ้นมา แต่ถ้าเราปัญญาเกิดนะเห็นในทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวใจไม่ดิ้นใจเป็นกลางใจเข้าถึงความสงบสันติความสุขเกิดขึ้นใจไม่ดิ้นความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ดิ้นกุศลอกุศลเกิดขึ้นใจไม่ดิ้นใจไม่ทํางานต่อรู้แล้วจบลงที่การรู้ไม่มีการปรุงแต่งใดๆต่อเราก็จะเห็นเนี่ยจิตใจนะโดยตัวของมันเองเนี่ยมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งจิตใจของเราคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันเราห้ามมันไม่ได้เราไม่ได้ฝึกห้าม แต่ว่าพอสติปัญญาเราแก่รอบเราเห็นจิตใจนี้ปรุงแต่งไปนะไม่ใช่ไม่ปรุงนะจิตพระอรหันต์ก็ปรุงแต่งนะปรุงแต่งไปธรรมดาหน้าที่ของจิตต้องคิดนึกปรุงแต่งจิตก็ทำหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งแต่เราไม่เติมอะไรลงไปอีกแล้วไม่ใช่ว่ามันปรุงสุขขึ้นมาเราก็เติมความพอใจลงไปแล้วก็หาทางดิ้นรนเพื่อรักษาความสุขความทุกข์เก <t ot> ิด <rocks> ขึ <m> ้นเราก็เติมความไม่พอใจลงไปแล้วก็ดิ้นรนเพื่อจะขับไล่มัน เนี่ยใจไม่เติมอะไรลงไปรู้แล้วจบลงที่รู้ใจก็ไม่มีการปรุงแต่งต่อจิตนั้นมันปรุงโดยตัวของมันเองแต่พอเราไปรู้แล้วเราไม่ปรุงต่อจิตปรุงแต่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเราเข้าไปปรุงแต่งเมื่อไรเราจะทุกข์ความทุกข์จะเกิดขึ้นงั้นรู้ลงไปนะใจจะไม่ปรุงใจไม่ปรุงใจไม่ทุกข์นะ หลวงพ่อคะอยังบา ง, บางทีที่เรารู้สึกว่าในวันวันนี้เนี่ยเราจมอยู่กับความซึมเศร้าหดหูค่ะเพราอเรารู้ว่าซึมเศร้าหดหูแล้วก็ซึมเศร้าหดหูต่อค่ะมันก็ไม่ได้หยุดนะคะมัไม่ต้องอยากให้หายนะะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุของมันยังอยู่มันก็ยังอยู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าใจของเราเป็นกลางกับมันหรือไม่แต่ถ้าใจของเราเห็นความซึมเศร้าหดหูไม่ได้อยากให้หายนะแค่สักว่ารู้สักว่าเห็นนะใจไม่ทุกข์นะ จิตซึมเศร้าโหดหูไปขน้นแต่ใจเราไม่ทุกเลยงั้นในที่สุดเราจะอยู่กับโลกขันนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนเลยนะแต่เราจิตใจได้ไม่ทุกเลยตัวใจนี่ไม่ทุกเลยเบอร์เจ็ดสิบพอเข้าใจแล้วใช่ไห ม, ไมเบอร์สิบสองดีนะเจ็ดสิบดีใช้ได้เลยได้ใช้ได้เป็นแถวแถวเลยตอนเนี้พ่อลงไปคิดแล้วพ่พ่อสังเกตไหมตอนที่ใจมันง่วงง่วงนะมันไหลง่าย ห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ก็อย่าไปเกลียดมันาว่าไงเม็กกลับมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้หนูพาสามีกับลูกชายสองคนมากราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกใจรู้สึกโล่งเบาสบายที่ทุกๆคนได้มาวัดพร้อมกันแต่ว่าหนูยังไม่ได้เคยสอนพื้นฐานให้ลูกๆนะคะเลยไม่ทราบเจอเริ่มะไเราเอย่าไปยัดเยียดอะไรให้เด็กน ะ, ะแต่เราต้องมีความสุขให้เด็กเห็น มีความสงบให้เด็กเห็นมีตัวอย่างที่ดีให้เขาดูเด็กๆนะตอนหลวงพ่อหลวงพ่อเริ่มเข้าวัดตั้งแต่ยังไม่ขวบหนึ่งเลยผู้ใหญ่อุ้มไปฟังเทศเขานั่งฟังไปแล้วก็เอาลาวางเมื่อก่อ น, นมันมีเบาะนะเอาเราใส่บเบาะนี่ไปวางไว้ข้างธรรมานั่นแหละฟังนะตลอดทรนษาเลยนะฟัง เสร็จแล้วโตวขึ้นมาหน่อยนะเดินได้วิ่งได้ผู้ใหญ่ไปฟังเทศเราก็ไปวิ่งเล่นในวัดไม่ไม่ได้บังคับให้เราฟังนะแต่พอพระเทศถึงนิทานชาดกเราก็ฟังทีหนึ่งตอนไหนพูดธรรมะรวนๆเราก็ไม่ฟังใจมันค่อยๆซึมซับไปมันคือกระบวนการเรียนรู้เรียนรู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เป็นธรรมชาติกระบวนการอย่างนี้ดีนะสบายไม่มีการบังคับกันแต่ได้เรียนรู้ได้ถ่ายทอด ยุคนี้เป็นยุคฟาสต์ฟู้ดนะถ่ายทอดอะไรให้เด็กก็จับยัดไว้ก่อน <c oughs> น่าสงสารเด็กดีและเมกหลงพ่อเจ้าค่ะโยมมีโอกาสได้เจอพระป่ารูปหนึ่งอะเจ้าค่ะก็ท่านก็บอกว่าทือโยมก็เล่าให้ฟังว่าผู้รู้โยมไม่เกิดดับก็เลยเป็นอุปสรรคท่านก็บอกว่าออผู้รู้เจริญแล้วค่อยเกิดดับมาเจ้าค่ะ โยมก็เลยถามว่าทํำยังไงให้ผู้รู้เจริญท่านก็บอกว่าทําเหมือนหลวงพ่อให้ทำอะคะ่ะรู้กายรู้กายรู้จิตไปเจ้าค่ะโยมก็มีกําลังใจแล้วก็ไม่ทราบอย่างนั้นถูกไหมเจ้าคะ่ะถูกสิคือการปฏิบัติเนี่ยนะมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันเราต้องให้ผู้รู้เจริญก่อนนะว่าเจ้าค่ะฮะมันจเจริญของมันเองแล้วทำไมของโยมมันไม่เกิดดับเสทีเจ้าคะ่ะช่างมันเถอะเราดูของอื่นเกิดดับไปก่อน เนี่ยผู้รู้ดับไปแล้วเห็นไหมเป็นผู้หลงแล้วรู้สึกไหมก็ไม่ค่อยรู้ตัวเลือกอะเวลาจิตลาจะมีสองอันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะโลภุเทศเลยใช้ศับสองคําอันนี้ท่านบัญญัติขึ้นเองอคือจิตกับใจจิตเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเดี๋ยวก็เป็น เดี๋ยวก็เป็นจิตนะเดีนะ๋ยวก็เป็นใจคือเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงอย่างตอนเนี้จิตเป็นผู้หลงละเป็นผู้หลงคิดเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเห็นเกิดดับของมันแล้วแปลว่ามันเกิดดับใช่ไหมต้นขาดเกิดดับแต่เราไม่ดูดูไม่เป็นเราไปคิดว่าแหมมันเหมือนหลอดไฟมันต้องมาเกิดดับให้เราดูต่อหน้ามันไม่ใช่อย่างขนาดใดที่จิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็เป็นผู้รู้ ขณะไดเ้เผลอไปคิดก็เป็นผู้หลงเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปใช่ ไ, ไหมตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงตัวผู้รู้ดับไปแล้วกลายเป็นตัวผู้หลงไปแล้วพ่อคุยกับหลวงพ่อเป็นผู้หลงเยอะมากเลยใช่มันกลัวหลวงพ่อมันเกรงขึ้นเกรงขึ้นแล้วแต่ว่าวันนี้ตอนที่ฟังคนอื่นพูดนี่รู้สึกว่ามันสว่างออวบบ น, นี้เจ้าค่ะใช่อย่างตอนนั้ น, นไม่ไดเ้เป็นโรคแพ้ไหม <laughs> แล้วก็เมื่อวานก่อนนิยม นั่งสมาธิเจ้าค่ะแล้วโยมก็รู้สึกว่า ม, มันมีความชอบชอบอยู่อเจ้าค่ะแล้วก็อยู่นานมากโยมดูพองยุคกเจ้าค่ะ<ม>แต่ว่าไม่มีคําพูด<ม>ก็อยู่นานมากมันก็เป็นสมาธิใช่ไหมเจ้า<ช>ค่ะแล้วก็ควรจะทํำยังไงถ้าเกิดแบบนั้นเรามีความสุขก็มีอยู่นานๆ น, นะพอ<ช>หมดเวลาปฏิบัติจิตถอยออกมาเราก็ดูความสุขที่มีอยู่หายไปละความสุขไม่เที่ยงและดูอย่างนี้งั้นเราก็แช่อยู่กับความสุขก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ได้ ดีไปแช่กับความทุกข์คนอื่นไม่เกี่ยวนะธรรมะมันทางใครทางมันนะเฉพาะตั ว, วไม่ใช่ตัวพ่อสอนคนนี้ก็เอาไปทำสอนคนนี้ไปทำนะเดี๋ยวเพียนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโยมก็ติดใจเหม่อลอยแล้วก็ไปอีกวันหนึ่งะ่ะเจ้าค่ะโด ย, ยไรเหตุผล <laughs> นั่งจะมาทีก็จะเหมอลอยแล้วถ้อย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่ามีสติแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทํายัางไงอั่งค่ะก็ต้องลุกขึ้นมาเดินใช่ไหม น, นะเดินไปอย่าไปนั่งถ้างั้นเมาล อ, อยไม่เอานะเมอลอยนี่ไม่ดีเลยจิตใจเมาล อ, อยมันมีโมหะจิตถ้ามีโมหะเคยชินนะถ้าตายไปไม่ดีพยายามรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอาว่าไปคือว่า เ อ, อทุกวันเวลาหลับมาเจ้าห่ะจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตตกผวังเสร็จแล้วเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็จะเห็นใจที่ไม่ชอบว่าเราปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยอีกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นทุกวันทุกวันแต่ก็พอเห็นได้บ้างว่าความที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็ลดดีกรีลงไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ยัง คือเหมือนกับว่าทําใจยอมรับได้มากขึ้นแต่จริงๆก็เห็นว่าใจเนี่ยเศร้าอยู่เพราะว่าไม่อยากที่จะแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วเหนื่อยในทุกทุกวันทีนี้พอเวลาตั้งใจที่จะทำํำสมถะเจ้าค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าทําได้ไม่นานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าพอทำํำจับ ลมหายใจหรือว่าไปทำพุโทโธแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งก็จะเห็นความฟุ้งซ่านลอยไปลอยมาแล้วก็จะติดไอจิตก็จะหลุดไปอยู่ในวาวังนะเจ้าค่ะแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าพอพอรู้ตัวก็พยายามตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ทำสมาธไม่สำเร็จนะเจ้าค่ะพอหลังๆก็เลยแบบว่าปล่อยใจว่าไม่อยากทำ แล้วก็ทแล้วก็ตามใจไปอยู่อย่างนั้นแล้วพอนึกขึ้นได้เนี่ยก็จะทำสมถะได้สักสองสามนาทีแล้วก็ลอยหลุดไปอีกอย่างนี้เจ้าค่ะที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะจิตใจไม่เหมือนเมกกื่อก่อนแล้วดูออกไหมรู้สึกว่าใจเบาขึ้นเจ้าค่ะนั่นแหละใจของเรามันเป็นผู้รู้ผู้ตื่ น, นขึ้นมาใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาภาวนาดี หนูก็ปล่อยอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ไม่ใช่ปล่อยปละนะปล่อยให้มันทํางานแล้วตามดูเจ้าค่ะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะภาวนาดีตั้งแต่เจอกันมาวันนี้ภาวนาดีที่สุดออาแล้วคนนี้กี่ขวบแล้วเก้าขวบเจ้า<อ>ค่ะ ย, ยังกลัวหลวงพ่อเลยยังกลัวหลวงพ่อแต่ว่ามีคําถามอยากจะถามหลวงพ่อ อ, อยากถามหรือแม่บังคับให้ถาม เขาอยากจะถามเองเจ้าค่ะแต่ว่าไม่กล้าถามจะให้คุณแม่ช่วยถามให้แม่ถามให้เอเวลาไปโรงเรียนก็อยากตื่นเจ้าค่ ะ, ะแต่ว่านะเขาบอกว่าเวลาไปโรงเรียนเนี่ยใจก็อยากตื่นแต่กายมันไม่ตื่นแต่ว่าจะทํายังไงให้ตัวเองตื่นนะเจ้าค่ะอย่านานดึกซี <laughs> เขาบอกว่างวงเงียอยู่ตลอดเจ้าค่ะออก็อย่านอนให้ดึกนักนะอย่าเล่นสนมากนักถ้าก่อนนอนเราสนมากนะใจเราฟุ้งซ่านนะมันจะต้องนอนนานถึงจะหายงวงเงียถ้าก่อนนอนเราไหว้พระสวดมนต์ท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะเวลาหลับไปแล้วหลับไม่นานหรอกตื่นขึ้นมาสดใสถ้าลงบอกหลวงพ่อว่าตื่นแล้วฟุ้งซ่านงัวงเงียเนี่ยสแสดงว่าก่อนนอนไม่ได้ซ้อมไปเลย ไปหันไหว้พระนะอ่ะไปตอบไปคนไหนไม่อยากได้ก็ส่งต่อไปเหลวงพ่อไม่บังคับนะวันนี้พาแม่กับน้องสาวแล้วก็ป้ามากราบหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้วันครอบครัวหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาหลายครอบครัวแม่มาจากขอนแก่นเจ้าค่ะหลวงพ่อคนอีสานบุญเยอะนะ <c oughs> คนอีสานครูบาอาจารย์เยอะคือแม่จะชอบทําบุญค่ะหลวงพ่อ <c oughs> แต่ว่า จะยังไม่ทราบวิธีที่จะปฏิบต<อ>ัติเราซีดีไปให้ฟังค่ะ<า><า>อดทนฟังนะถ้าโยมภาวนาเป็นี่โยมจะมีความสุขที่สุดเลยครับก็การปฏิบัติบางช่วงนี้สติจะเกิดเร็วมากครั บ, รบแล้วบางช่วงก็จะแผ่วไปก็เป็นกราฟไปอ่ะครับใช่ช่วงไหนสติเกิดบ่อยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะช่วงไหนสติไม่ยอมเกิดแล้วก็ดูไปเรื่อยๆ ยังไงก็ดูไปเรื่อยๆโดยธรรมดาของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันจเจริญแล้วก็เสื่อมจเจริญแล้วก็เสื่อมเป็นทุกคนแหะแต่เวลาที่มันจเจริญเนี่ยเราอย่าประมาทแล้วก็ภาวนาของเราไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปเรื่อยเวลามันเสื่อมอย่าตกอกตกใจถ้าตกใจนะใจเราจะดิ้นรนทํำยังไงนะทํำยังไงนะคิดจะทำเราคิดว่าจะทํำยังไงถึงจะดีทํำยังไงถึงจะถูกนะมันจะไม่ดีมันจะไม่ถูกจะเสียเวลานา น, านนะเสื่อมนาน แต่ถ้าเมื่อไรภาวนาจนไม่รู้เรื่องนะเราก็อาจจะทําสมถะขึ้นมาทําพุทโธก็ได้นะหายใจก็ได้พุทโธพุทโธไปพุทโธนะหลวงพ่อ น, นิยมมากกว่าหายใจนะหลวงพ่อไปติดลมหายใจอยู่นานเข็ดเราสังเกตดูพวกเราที่ฝึกหายใจมกักจะไปติดลมภาษาไทยเลยใช้คําว่าติดลมเห็นไหมมีคําว่าติดลมเห็นไหมคนไทยโบราณนั่นเก่งมากเลยบรญญัติศัพท์มา ก็การปฏิบัติในีแต่ละวันนี้ก็จะปฏิบัติตามรูปแบบไปด้วยครับดีแล้วก็จะสังเกตสภาวะไปที่เปลี่ยนแปลงดีพออยู่ในชีวิตประจำวันมันก็จะรู้สึกตัวได้เอง ด, ดีดีนะฝึกไปเรื่อยอย่าท้อถอยนะมันยากตอนแรกๆนี่แหละถ้าฝึกจนจิตมันอัตโนมัติแล้วคราวนี้มีความสุขแต่เดิมหัดใหม่ๆนะจงใจจะมีสติขึ้นมานะมันเหนื่อยแต่พอภาวนาเป็นสติเกิด น, นะถ้าเผลอแล้วเหนื่อยนะ แล้วกับเหนื่อยมีสติอยู่กับสบายกับข้างกันตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วทราบไหมจิตลงไปละวตืนเต้นนะครับเตื่นเต้นอย่ไปกดมันไว้อย่าไปก ด, ม, ม, ปกดมันยังกดอยู่ดูออกไหมเอออย่าไปกดมันนะเอาไปส่งใหม่ไปใหม่นี้มันอาถรรพ์ใครจับก็ตัวแข็งไปหมดนี่ขนาดจาับยังตัวกระสับกระสายขึ้นมาแล้รู้สึกไหม เปลี่ยนอย่างห่วงเป็นกระสับกระสายครับอ อ, อแล้วเป็นไงสองวันนี้มันป้อแปรครับนี่ไงป้ออยู่นี่แต่ว่าอย่างเมื่อเช้าก็มันยังดิ้นลนอยู่ครับคือพอไม่มีสติก็พยายามจะไปดูมันมีบางช่วงที่สติไวขึ้นนี่เห็นว่า จริงๆจะไปดูนี่คือมันหลงไปคิดอย่างหนึ่งมันเป็นการหลงไปคิดอย่างหนึ่งที่จริงฝึกก็ไม่ต้องรู้อะไรเยอะก็ได้นะจิตหลงไปคิดรู้ว่าไปคิดเท่านั้นละพอละเพราะภาวะแห่งการหลงคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยอย่างตั้มตอนเนี้ยจิตหลงคิดก็รู้ว่าหลงคิดไป<อ> <c oughs> แล้วไงจากมันก็ก็ไม่มีอะไรครับก็ดูไปเรื่อยๆครับเพียงแต่ว่า ส อ, สองวันนี้ผมไม่ได้เดินจงกรมตอนกลงคืนแค่รู้สึกไม่ใจไม่ตั้งมั่นชชบครับใจไม่ตั้งมั่นเลยก็เลยไปเพิ่มสมาธิขึ้นเดินจงกรมไปแล้วก็รู้กายที่เดินไปเรื่อยๆ อ, อยากขี้เกียจ น, นะสองวันนี้พอดีไม่ได้เดินก็เลยทําไมสองวันนี้ที่การเนื <c oughs> อ้อหมายถึงไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบอะครับสองวันนี้ ทุกก้าวที่เดินให้รู้สึกตัวเล็กเดินจงกรมหมดเลยทั้งวันนะเดินชอปปิ้งอยู่ก็เห็นร่างกายเดินไปจิตใจเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ไปเนี่ยยามแทรกเอาไว้ในชีวิตของเราทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวก็เรียกเดินจงกรมแต่พอในชีวิตประจําวันบางทีจะไปรู้สึกตัวมันก็เข้าไปทำละมันไปรู้เมื่อทุกข์แล้ว เมื่อก่อนมีเพลงนะเมื่อรู้สึกตัวก็สายเสร็จแล้วเพราะมันทุกข์แน่นขึ้นมาแล้วถึงจะรู้ไอตอนเกิดกิเลสยังไม่ทันเห็นเกิดการกระทํากรรมยังดูไม่ทันใช่ไหมเกิดวิบากทุกข์ขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นก็อย่างดีอย่างดีในไตรวัตรยังเห็นอยู่ท่อนหนึ่งอย่าขี้เกียจนะจากจากภาวนาดีอยู่แล้วล่ะตอนนี้ใช้ได้แล้วแต่ว่ามันขี้เกียจไป พอดีเมื่อคืนก่อ น, พนเพื่อนชวนไปดูพัณณเลศสวนกลับมาดึกเลยไม่ได้เดินออกความเร็วอยู่ที่เพื่อนนี่เองอ้าวจิตมีกําลังขึ้นครับแล้วก็แต่ยังยิ่งขุกขักกับอกุศลอยู่ครับเอยียบพิ่งหนีไปจิตขณะนี้เป็นยังไงมัวสัวครับออตั้ง<า> ม, <า>มั่นครับอ อ, อย่างนี้ผ่านคุณยายว่าไงคุณยายคุณยายนึกว่าไม่ถึงแล้วมั้งวันนี้ย กำลังดีใจอยู่เจ้าค่ะว่าไม่ถึงไม่มีใครหนีกรรมได้คุณยายหายไปหลายวันนะคะเออหลวง่เจ้าเขาเวลาดูดูไปแบบเราไม่ยึดอัตตาหรือว่าดูเวลาเราแยกหรืออะไรเนี่ยมันจะจำสภาวะนั้นได้แล้วมันจะมีความสุขอเจ้าค่ะอย่างนี้ผิดไหมเจ้าค่ะไม่ผิดไม่ผิด ทื่เราภาวนาถูกนะมีความสุขพอเราเห็นสภาวะพระจิตมันจาสภาวะได้นะจิตใจก็มีความสุขขึ้นมาเลยมันตื่นจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็มีความสุขขึ้นมาตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมไม่ค่อยตั้งมั่นนะไม่ตั้งมั่นคุณยายก็ต้องทำในรูปแบบบ้างหรืออย่างคุณยายเนี่ยสามารถเจริญสติในชีวิตประจาวันได้ดี อยู่นี่ก็ดูหญ้าไปหลวงพ่ไม่ใช่คําว่าถอนหญ้านะเพราะพระใช้ให้ถอนหญ้าแล้วอาบัดบอกให้ไปดูหญ้าเก็บก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยถอนไปยิ้มไปเก็บไปยิ้มไปนะคะมันมีความสุขที่ว่าอ่านั่ น, น, นแหละเราเคลื่อนไหวนะแล้วเรา <จะ S 1> รู้ <จะ S 1> รสึกเ <จะ S 1> คลื่อนไหว<ๆ>แล้วรู้สึกมีความสุขดีดีรับปัญญาแต่ใจมันฟุ้งไปนิดนึงยังยังฟุ้งซ่านอยู่ค่ะ ต้องพยายามต่อไปค่ะเหลือคล้ายๆพวกเล่นเกมโชว์นะพยายามต่อไปครับนบสสการหลวงพ่อครับเป็นลูกศิษย์จากญี่ปุ่นนะครับซีดีเรียกให้มาที่นี่นะฮะผมยังเป็นแผ่นเสียงตกร่องอยู่แล้วก็วันๆหนึ่งเนี่ยตามตัวเองเจอได้ก็เป็นสิบครั้งแต่ก็ถือว่าหลวงพ่อเคยบอกไว้บอกว่ายิ่งตามเจอ ยิ่งรู้ว่าเผลอเยอะยิ่งดีผมเลยจะคิดว่าต่อไปนี้ถ้าผมจะเริ่มตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจะนับหนึ่งสองสาไประทั้งหลับเนี่ยไม่ทราบมันจะก็เดี๋ยวมันจะเครียดไปเอาแค่คราวละหนาทีก็ได้ชั่วโมงหนึ่งหนาทีเอาเวลาหนาทีเนี่ยสมมติเราต้องหาอะไรมาทำไว้อันหนึ่งก่อนเช่นเราหัดพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธแล้วใจแอบไปคิดเรื่องอื่นแป๊บนับหนึ่ง พูดโทรศัพทไปแอบคิดอีกแล้วนับหนึ่งนับสองเนะี่ยนับไปเรื่อยเรื่อยดูว่าห้านาทีเนี่ยหลงกี่ครั้งนะแต่ของคุณจะไม่ติดหลงนะของคุณมันจะติดเพ่งนะมันไม่ใช่หลงอย่างเดียวเพ่งด้วยรู้สึกไหมชอบเพ่งเนะี่ยใจที่ไปกดตัวเองให้นิ่งเนะีนะ่ยเป็นใจที่ติดเพ่งเพราะว่าชอบบังคับเออตรงนั้นไม่เอาไม่เอาตรงนะั้นะอย่าไปบังคับนะให้ตามรู้มันไปอย่าไปบังคับมัน นะไม่มีอะไรที่ชอบถูกบังคับหรอกนะร่างกายจิตใจเราก็อย่าไปบังคับมันบางคนบังคับกายบังคับใจนะอย่างเคยหายใจธรรมดาสบายไปบังคับการหายใจของตัวเองเนี่ยจิตใจก็อึดหนัดขึ้นมาร่างกายก็เครียดนะเราไม่บังคับแต่เราคอยตามดูตามรู้อย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยไปติดบังคับอยู่นะมันนิ่งไปหมด ต้องให้สบายนะฝึกให้สบายอันนี้หลวงพ่อมีพระญี่ปุ่นองค์เนียองค์ที่สามเนี่ย <c oughs> ยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมแมนยังได้เนาะท่านอยู่ญี่ปุ่นนานคนไทยเนะ่ะไปอยู่ญี่ปุ่นนานองคิดว <c oughs> ่เาเป็นพระมาจากญี่ปุ่น <c oughs> มีทั้งพระญี่ปุ่นพระอังกฤษนู่น <c oughs> อนุญาตนะเจ้าคะ่ะขออนุญาตเจ้าคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นจิตผู้หลงแล้วเรากลับมาเป็นจิตผู้รููนี่อย่างนั้นแปลว่าตื่นหรือเปล่าเจ้าคะ่ะก็ขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมาก็ตื่นขณะที่หลงไปก็หลับแล้วบางทีโยมรู้สึกว่ามันสว่างสวายแบบตอนแรกที่มากราบหลวงพ่อสวา่างสว่างมีสองงานสว่างแบบสมถะจ้านิ่งๆอยู่เลยเกือบพอเผลอๆแล้วพอรู้ว่าเผลอนะสว่างแวบหนึ่งโลง่งๆขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวหลงไปคิดใหม่ ไม่เหมือนกันแล้วอย่างตอนแรกที่เออ่โยมมานั่งนะเจ้าค่ะมันรู้สึกยังใช้ได้อย่างนั้นแต่มันอยู่นานนะเจ้าค่ะมันมันแทรกสมถะเข้าไปเรียนสมถะแต่ดีกว่าตอนนี้นะตอนนี้มัวโยมเข้าใจแล้วค่ะว่าตอนตะกี้หลวงพ่อบอกว่าหลงเนี่ยมันจะมัวมัวใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ แล้วถ้าเกิดว่ามันมันรู้ขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้นานๆแล้วผู้รู้มันจะเกิดดับหรือคะหรือว่ายัางไงก็ปรเดี๋ยวนะพอเราหลงไปคิดเมื่อไหร่นะผู้รู้ก็ดับไปแล้วก็กลายเป็นผู้คิดแทนค่ะเอาคุณที่มาจากญี่ปุน่นดูออกหรือยังว่าเราชอบบังคับอยูออ่พอจะออกแต่จะมีการแก้คือพยายามจะไม่คือยังไม่ค่อยเข้าใจการแก้ครับไม่แก้นะ ให้เรารู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงเราไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับตัวเองไม่ได้ฝึกเพื่อเก็บกดด้วยอะไรเกิดขึ้นในกายเราก็รู้ไปอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอรู้ไปไม่บังคับนะอย่างตอนเนี้ใจไปคิดเราก็รู้ว่าไปคิดไม่ได้ห้ามคิดใจจะโกรธก็ไม่ได้ห้ามโกรธแต่ว่ารู้ว่าโกรธอยู่ลวงพ่อครับแล้วบางครั้งเนี่ยสมมุติตัวอย่างเช่นเราไปเดินช็อปปิ้งก็ตามรู้ว่ากิเลส ช, ชอบชอบมาแล้วอืแต่พอรู้ปุ๊บ มันปล่อยหลุดไปซื้อเลยฮะไอ้โรคนี้เป็นโรคทั่วๆวไป <c oughs> เรียกโรคระบาดรู้จักกระต่ายไหมกระต่ายกระต่ายเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังผว่าหัดดูจิตนะไปช้อปปิ้งเห็นกระเป๋าสวยใจชอบรู้ว่าชอบนะแล้วเผลอเผลออีกแวบเดียวรู้สึกตัวครั้งใหม่นะตรงที่กระเป๋ามาถึงบ้านแล้ว <c oughs> หัดใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นแ่ละนะค่อยๆดูค่อยๆฝึกสติมันทีแรกมันก็ไม่ค่อยเกิดนานๆเกิดทีหนึง่งแต่พอเราสนใจเราคอยรู้คอยดูนะสติจะค่อยจีขึ้นเรื่อยๆนะเป็นทักษะของเรานะต้องฝึกวิธีฝึกก็คือซ้อมพุทโธก็ไดนะ้หายใจก็ได้อะไรก็ได้แต่ของคุณไม่แนะนำให้หายใจเลยนะเพราะคุณติดสมถะ คุณท่องพุโทโธไปก็ได้พุโทโธพุโทโธไปแล้วใจนิ่งนิ่งขึ้นมารู้ว่าใจมันนิ่งนิ่งพุโทโธขึ้นมาแล้วใจหนีวิคิดรู้ว่าหนีวิคิดแล้วเราต้องซ้อมนะสติถึงจะเกิดบ่อยถ้าไม่ซ้อมก็ไม่เกิดบ่อยเหมือนนักมวยอะ่ะไม่ซ้อมโชคนะชคไม่ออกง้างอยู่นั่นอะ่ะไม่ชกแล้วจีผมก็สมถะมานานมากเพิ่งะจะเริ่มรู้จักวิปัสสนาก็ปีเสรษฐีที่ผ่านมานี้เองเพิ่งเริ่มเริ่มรู้จักครับค่ฝึกไปนะ มันตสมถะหลว่ อ, อครับอีกนิดนึงครับอย่างเรื่องของการสวดมนต์นี่ถ้าคือการสวดมนต์ก็เป็นอุบายอันหนึ่งเพื่อให้จิตรวมตัวเป็นหนึ่งใช่ใชเพื่อสมถะแต่บางครั้งมีความรู้สึกว่าได้ยินได้ฟังผู้รู้บอกว่าถ้าการสวดมนต์ก็ทําให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองแต่ก็ขณะเดียวกันก็มีอีกจิตอีกตัวหนึ่งบอกว่าการมีสติมันเป็นสิริมงคลยิ่งกว่าการสวดมนต์ เลยไม่รู้ว่าเอกนี่เป็นเรืเ่องของการ ค, คิดเลยบุญมีหลายเกรดไอ้ประเภทส่วนแล้วเฮงอะไรเนี้ยไม่ใช่คําสอนในศาสนาพุทธหรอกนะมงคลสามสิบแปดนะไม่มีข้อหนึ่งเลยว่าสวดมนต์แล้วเป็นมงคลนะมีแต่บอกว่าไม่คบคนผ่านแล้วเป็นมงคลคบบัณฑิตแล้วเป็นมงคลนะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นมงคลนะหรือมีสติเป็นมงคลนะ เข้าถึงธรรมะเป็นมงคลได้เห็นสมณะเป็นมงคลใช่ไหมเป็นเรื่องที่เราต้องทำเอาทั้งนั้นเลยสิริมงคลหรือคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยเราต้องพัฒนาใจของเราพัฒนาใจของเราใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลอยู่ในตัวละวงั้นที่คุณบอกว่ามีสติเป็นมงคลนั้นถูกต้องแล้วเพราะมีสตินี่แหละเป็นพื้นฐานของกุศลทั้งปวงเลยถ้าขาดสติอันเดียวนะ จิตไม่เป็นกุศลล้จิตที่ขาดสติคืออกุศลจิตดีล้อย่าเชื่อง่ายนะหลวงพ่อค่ะยังบางทีเนี่ยช่วงนี้มันจะรู้สึกว่ามันมีอย่างเช่นมันจิตมันดิ้นหลนแล้วมันก็แรงแรงอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับกำแพงระหว่างที่เรารู้กับไอตัวที่มันสภาวะที่มันเกิดขึ้นน่มันไม่มีมันก็เลย รู้สึกสัมผัสมันได้เยอะอย่างเช่นบางทีเวลาที่มันแรงมากจนกระทั่งเหมือนมันเหมือนมีก้อนไฟอ่ะแล้วก็มันมีความร้อนแผ่ออกมาจนถึงสัมผัสได้นะคะะแต่ว่าอย่างนี้มันใช่ไหมคะจะก็ไม่น่ใจว่าจะลงไปในนั้นหรือว่าจะอยู่ข้างนอกมันดูอยู่ห่างๆดูอยู่นอกหลุมนะหลุมนี้มีไฟอยู่แล้วบางทีก็เหมือนกับว่าอยู่นอกหลุมแล้วบางทีมันถ้ามันเป็นเรื่องที่มันอินมันจะเข้าไปข้างในแล้วมันทุกข์มากกว่าเลยทุกข์มากกว่าแต่เดิมอีกค่ะถูกต้องแล้ว หลพึ่งพึ่งเริ่มคิดว่าอยากจะปฏิบัตินะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะนั่งสมาธิมากๆเลยแล้วก็พยายามที่จะเ อ, อรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ในบางครั้งเนี่ยใช้วิธีการสวดมนต์ยาวๆนานๆเพื่อที่จะให้เกิดผู้รู้ว่าตอนนี้ฉันสวดมนต์อยู่สวดมนต์อยู่แล้วก็คราวนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นก็คือว่ารู้ว่าตัวเองโมโ oh ห รู้ว่าตัวเองมีอาการอย่างไรอซึ่งทําให้ความคิดของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นอืแล้วก็กระทําได้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว่าถ้าโมโหก็คิดคําด่าได้รุนแรงขึ้นรได้ทําคิดออกว่าจะทําทให้เขาเจ็บใจได้อย่างไรค่ะแล้วก็มันรู้ว่าโมโหท่าไหนก็เลยคิดว่าเอ๊แล้วก็ยิ่งทําให้เห็นว่าตัวเองเนี่ย รู้ึกมีหลักการอะไรเยอะหรือเกินที่จะต้องถูกต้องซึ่งคิดว่าตัวเองก็คงจะคิดไปเองนั่นแหละว่ามันเป็นถูกเป็นหลักการที่ถูกต้องเออดีนี่ฝึกต่อไปนะะแล้วฝึกไปเรื่อยเราจะเห็นเลยกิเลสของเราเนีเยอะที่สุดเลยแล้วเราก็ร้ายกว่าที่เราคิดไว้เดิมร้ายมากด้วยหาคนที่ร้ายเท่าเรายากนะเ <c oughs> นี่ยฝึกไปอย่างนี้ดีฝึกแล้วเห็นกิเลสเนี่ยดีที่สุดเลยดีใช้ได้แล้วก็เห็นไ้มยึดถือในความเห็นของตัวเอง พอเรายึดในความเห็นของเราเองนะเราก็จะไปทะเลาะกับคนอื่นได้ทั่วประเทศเลยใช้ได้ส่งไปข้างหลังชีวิตมันสบายขึ้นนะครับเหรอมันสบายได้มันก็ทุกข์ได้นะมันมันเริ่มมันเริ่มมีแรงภาวนาอีกแล้วมันวางเฉยดีแล้วไปดูไปแต่ว่ามันมันอยู่ลำบากขึ้นนะครับเหมือนมันอยู่กับ เดินห้างลำบากขึ้นกินข้าวคนเยอะลำบากขึ้นอะไรนั้นได้ยินไหมชั้นมันอย่างบางทีอยู่อยู่กับคนเยอะๆมันอยู่ลำบากขึ้นนะครับก็เป็นธรรมดานะเราภาวนาช่ชวงหนึ่งเนี้ยบางคนจิตมันไวเข้าใกล้ใครก็อึดอัดนะหรือเข้าใกล้คนบางคนเหมือนไปอยู่กลางพายุเลยลำบากแล้วก็ แต่จะพบว่าคนส่วนใหญ่นะกิเลสมันเกิดทั้งวันไงมันกระแทกกระทันตลอดเวลาอย่างนี้ต้องฝึกไปเรื่อยจนทั้งใจเราเป็นกลางอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าใจเป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขแล้วมันจะเป็นกลางขึ้นมาเองเรื่อยๆมันจะเป็นกลางนะแต่ใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราขี้โมโหเป็นกลางยากมันโมโหมากครับชาวชุมชนโมโหแ ล, แล้วแล้วไม่ผิดศีลรักษาศีลห้าไว้ก่อน โมโหยังไงก็ได้โมโหยอยู่ข้างในตามดูในความโมโหไม่มีตัวเราดูไปอย่างนี้ในความโมโหไม่มีตัวเรานะจิต ท, ที่ไปรู้ว่ากําลังโมโหยอยู่ก็ไม่มีตัวเราดูไปตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นใครดูสภาวธรรมที่ปรากฏแต่ละขณะแต่ละขณนะนั้นไม่มีตัวเราดูไปอย่างนี้เรื่อยๆพวกที่โทสะกล้านะปัญญากล้าดูลงเป็นอนัตตาไปน้มัสการครับหลวงพ่อ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่คุณแม่แล้วก็พี่สาวได้ชวนมาที่วัดแล้วก็ได้มาเจอหลวงพ่อนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับพอดีเพิ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมีปัญหามาก็คุณแม่เขาก็เลยให้มาพักผ่อนก็อยากถามหลวงพ่อ น, นิดนึงครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่เมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยได้พี่สาวได้พาเข้าไปเรียนรู้หลักธรรมกับคุณแม่สิริกรินชัยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติเลย เรียกว่าเป็นคนถ้าถ้าพูดสนุกสนุกกันในหมู่เพื่อนก็จะประมาณว่าเข้าวัดแล้วร้อนโดนพรมน้ำมนต์แล้วร้องกรีดอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือจะจะไม่ค่อย เ, อเก่งในด้านการปฏิบัติเท่ากับหลายๆท่านในที่นี้นะครับอยากถามหลวงพ่อว่าสําหรับคนอย่างผมเนี่ยเวลาที่เจอปัญหาเข้ามากระทบแรงๆเนี่ยหลักในการรับมือของคนซึ่งปฏิบัติน้อยเนี่ยเราควรจะทํำไงบ้างครับหลวงพ่อคือ เราก่อนที่เราจะไปเจอปัญหานะเราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนเหมือนก่อนที่เราจะตกน้ําเราต้องว่ายน้ําให้เป็นก่อนเพราะฉั้นเราอย่าประมาทนะปัญหาชีวิตมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้เราต้องซ้อมของเราไว้ก่อนวิธีซ้อมนะั่นคือเราพยายามเรียนรู้ตัวเองให้เยอะๆศา ส, สนาพุทธไม่ใช่เรื่องลึกลับประหลาดอะไรหรอกมันคือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตัวเองเราจะคอยสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยจิตใจของเราแต่ละขณะแต่ละขณะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ใจเราเราบังคับไม่ได้นะเราก็บังคับใจคนอื่นไม่ไดนะ้คอยดูจิตใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าดูได้นะจิตใจจะสงบลงมาจิตใ จ, จเย็นพอจิตใจสงบจิตใจเยือกเย็นแล้วเนี่ยมันจะเกิดสติปัญญาไปแก้ปัญหาชีวิตได้นะเวลาคนส่วนใหญ่เวลาเผชิญปัญหานะมันคล้ายๆเลือดเข้าตาไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วน้ําสู้ตายเนี่ยสู้แบบไม่มีสติมีปัญญาละ แต่ถ้าเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาขึ้นมาเราไม่พอใจเรามีความทุกข์ขึ้นมานะให้สังเกตที่ใจเราค่อยดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความทุกข์ในใจเราเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบานะดูไปดูไปเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็กลับมาอีกเนี่ยตามดูไปเรื่อยนะถ้าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นเลยทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวหมดเลยไอ้ที่เรานึกว่าจริงจังแล้วก็สําคัญมากมีพิษสงมากเนี่ยเพราะเรากําลังเผชิญหน้ากับมันเท่านั้น ทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเลยปรากฏการทั้งหลายเคลื่อนไหวตลอดอย่างบางคนนะมีปัญหาชีวิตมากไม่รู้จะแก้ยังไงถ้าไม่รู้จะแก้ยังไงจริงอยู่เฉยเฉยสิปัญหายัางไงมันก็ต้องเปลี่ยนตัวของมันอดทนอดกลั้นรอไปรอเวลาการรอก็เป็นการต่อสู้อันหนึ่งนะความอดทนเป็นคุณสมบัติที่สาคัญเลย หลายคนขึ้นมาเป็นห้องเต้ตั้งราชวงศ์ได้เพราะว่าทนนะอย่างต้นราชวงศ์ฮั่นอยู่ราชวงศ์ฮั่นได้ตั้งสี่รอยปีต้นราชวงศ์รบทีไรแพ้ทุกทีเลยชนะครั้งเดียวก็ขึ้นมาเป็นห้องเต้ละปกครองแผ่นดินต่อกันมาสี่ร้อยปีสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในการดำรงชีวิต เราค่อยดูนะคุณธรรมฝ่ายดีของเราอย่างความอดทนอดกลั้นการรู้จักรอรู้จักใจเย็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันตัวเองเราชอบรู้ทันคนอื่นแต่เราไม่ค่อยรู้ทันตัวเองงั้นเราต้องฝึกที่จะเรียนรู้ตัวเองถ้าเราเข้าใจตัวเองนะเราจะเข้าใจคนอื่นหลักของการทําสงครามนะถึงมีรู้ตัวเองรู้คนอื่นนะรู้เขารู้เรานะรบร้อยศึกถึงจะไม่พ่าย และอ้คนแต่งตำลาพ่ายเองสุนูอะได้อีกคนหนึ่งะเชิญพอดีว่าเพิ่งมาครั้งแรกอะคะ่ะแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำในการเริ่มปฏิบัติเพราะว่าหนูเป็นคนที่สามารถง่วงได้ทั้งวันนะคะง่วงทั้งวันเหรอเ <c oughs> นี่ยี่ยองพระลูกศิษย์เอกหลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนนะโ <c oughs> มหะมากกว่าคนอื่น เดี๋ยวอนุญาตให้เอาซีดีไปฟังได้นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรอย่างนี้นะบางทีมันก็ง่วงนะสังเกต น, นะเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อใช้เคล็ดลับไม้ตายอยู่ท่าหนึ่งหลวงพ่อยังไม่เคยเรียนรู้เลยอยันนี้เพราะว่าไม่ง่วงเท่านี้โมหะน้อยกว่าพอง่วงทนไม่ไหวนะแอบยีบพอยีบแล้วตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะจิตมันสดใสยอยู่พักหนึ่งตรงนี้รีบปฏิบัติช่วงนี้เลย รีบรู้กายรีบรู้ใจเข้าไปในช่วงที่กำลังสดใสทำไมง่วงทั้งวันเลยหรือก็เกือบทั้งวันนะคะถ้าแบบว่าได้อยู่เฉยๆแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวสักพักมันก็จะเคลิ้มะคะ่ะเอองั้นต้องกระดุกกระดิกไว้ <c oughs> นะอย่าอยู่เฉย <c oughs> กระดุกกระดิกไปเรื่อยเคลื่อนไหวนะขยับร่างกายไปเรื่อยหางงานทำนะพอดีว่า ต้องทำงานที่แบบมันนั่งอยู่เฉยๆได้ค่ะแบบย่างัาง้น<บ>มันยิ่งซึมง่ายมีเวลาก็ต้องไปเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ ย, เ, ยเต้นไปล้วก็รู้สึกไปอะไรเงี้ยนะต้องเคลื่อนไหวอะเคลื่อนไหวไหมอ่ะได้อีกคนหนึ่งอัาแถมว่าไงระหว่างวันก็ยังรู้เผลอแล้วก็คิดสลับกันทั้งวันนะคะดีดีนะไม่มีคำถาม ไม่ต้องถามและเห็นไหมจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวรักษาไว้ไม่ได้ทุกอย่างเกิดแล้วดับตัวออกไหมจิตเผลอเกิดแล้วก็ดับจิตรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับเก่งนะที่ภาวนาอยู่ตอนนี้จิตใช้ได้แล้วเชเชิญโยมกลับบ้านไปนะขอหลวงพ่อคุยกับพระหน่อย